อันนี้อย่างที่สองพระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็ จ, เ ด, จเดินทางเกินส0มรอ้ อ, อ, มมรอยยอดเกิน300โยชอดไปแสดงธรรมที่ฝั่งแม่น้ำํำคงคาสถาปนาสอนพระเจ้ามาหากปินะพร้อมทั้งบริษัทให้บรรลุเป็นพผ้าหันคือพระเจ้ากรกปินะนี้ก็แน่จริงๆเลยนะพระเจ้ากรกปินะเนี่ยเขาเป็นคนที่สั่งสมบูรณ์มาแสนกลับเหมือนกัน เ, เขาเป็นพระราชาที่ปกครองบ้านเมืองโดยธรรม ทุกวันนี้เขาจะแต่งทหารมาวัลสี่นายหรือมาสี่ตัวเนี่ยนะขี่ออกไปเในนอกประตูวิ่งไปทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกวิ่งไปสี่ทิศไปหาข่าวมาไปส่งข่าวว่าพระพุทธเจ้าเกิดหรื อ, อยังไอข่าวเรื่องนื่นเขาไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่เขาสนใจว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกหรื อ, อยังคําที่ความที่เขาสั่งสมบูรณ์อินทรีย์เขาแก่กล้าเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเกิดในโลกหรื อ, อยังพระพุทธเจ้าเกิดในโลกหรวิลังมีอ ว, วันหนึ่งขณะที่พระองค์กาลังไปเที่ยวสวน พวกพ่อค้ามาจากเมืองสาวัตถีไปค้าขายที่เมืองของพระองค์พอไปถึงพระองค์ก็พระราชก็ไปเข้าไปเฝ้าพระราชานะพระราชาก็ถามว่าพวกท่านมาจากเมืองไหน <c oughs> ก็บอกว่ามาจากเมืองสาวัตถีก็บอกว่าที่เมืองสาวัตถีเนี่ยมีข่าวคราวอะไรเกิดขึ้นบ้างพ่อค้าก็เลยบ้วนปากล้างหนะ้าบ้วนปากล้างตาก็กล่าวว่า ยกมือประนมไหว้ไปทางพระพุทธเจ้าเนี่ยจิประทับอยู่ก็บอกว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกสั่งจ่ายเลยหมื่นหนึ่งไอ้แสนหนึ่งอันะท่านว่าไงนะพระพุทธเจ้าใช่ไหมสาครั้งเอปีติมากเลยเอาบูชาข่าวสารแสนหนึ่งครั้งที่สองบอกพระธรรมเกิดขึ้นแล้วในโลกก็บูชาพระธรรมอีกแสนหนึ่งครั้งที่3ก็บอกว่าพระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกก็บูชาอีกแสนหนึ่งแต่แล้วก็เอาใบที่เรียกว่าใบแบบ เ ป, เ, ปเป็นลายลักษณ์อักษรทองก็มาเขียนในแผ่นทองว่าสั่งจ่ายพ่อค้าสามแสนแล้วก็ยกเมืองให้มาเหสีปกครองเลยแล้วก็มอบแผ่นนั้นให้พ่อค้าเอาไปให้ด้วยนะพระองค์กับอมาร์ก็เลยออกบวชพร้อมกันเลยนะหันไม่หันหน้าเข้าหาเมืองและหันหน้าไปทางเมืองสาวถีทีนีพ้พอเดินทางมาได้หน่อยหนึ่งก็พบแม่น้ําท่านก็ตั้งสัจจะว่าถ้าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกจรงิงก็ให้ม้าเนี่ยเดินข้ามน้ําไปได้ แม่น้ำที่หนึ่งที่สองที่สามสามแม่น้ำแล้วก็ไปพบพระพุทธเจ้ารองค์ก็แสดงธรรมเนีย่ยนะองค์ก็แสดงธรรมทั้งหมดนั้นก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ทีนี้ฝ่ายมเหสีพระนางนางอะไรนะอโนมาอโนชา ช, ชื่ออะไรเนะีมเหสีของพระเจ้าก็ปินินาคือนางก็ฟังข่าวบอกว่าเออเนี่ยเอาสารพ่อค้าเอาสารมาให้บอกว่าสั่งจ่ายสามแสนสามแสนสมัยนั้นมันเยอะมากอาจจะเป็น300ร้ล้านปัจจุบันเนี่ยนะ เยอะมากเลยนะนี่ก <c oughs> ็บอกว่าพระราชาสั่งจ่ายส0มแสนพวกท่านไปทําอะไรมาทําไมพระราชาจึงใจดีสั่งตั้งส0 0 0สนก็บอกเนี่ยบอกข่าวพระพุทธเจ้าบอกพระราชาใจแสนหนึ่งชั้นจ่ายส0มแสนนะนางพระนางมเหสีเนี่ยก็ทําพุทธบูชาเนี่ยไปอีก 900,000 นวันนั้นพ่อค้าไม่ต้องบอกสารเรื่องพระพุทธเจ้าได้เลยล้านสองะจะขอเป็นพ่อค้าหรือขอเป็นมัศดาบัน อ่าสุราบันเน่ะนะไม่ใช่คิดมาจะไปเที่ยวประกาศข่าวเนี่ยไหไปขาดแถวตะวันออกกลางในเดือดร้อนแน่ในพูดถึงหลังจากที่พ่านางก็ก็ประชมเรียกพระยาอมารด์บอกว่าพวกมเมฮะพวกสามีของเธอออกบวชพร้อมพระราชาแล้วพวกเธอจะทํายังไงการบอกพ่านแม่เจ้าจะทํำยังไงก็บอ ก, องง ก, บอกฉันเรื่องอะไรฉันจะอ้าปากรองรับน้ําลายที่พระราชาถมทิ้งลงมาฉันก็ออกบวชเหมือนกันแหละ ก็เลยชวนกันขี่ม้าออกบวชหมดเลยตอนหลังก็บรรลุเป็นผ้าอรหันต์กันหมดนะคือคนมีบุญเขาก็มีใจเด็ดนะแต่ว่าไอ้ของเราสมมติถ้าหากว่าเราอยากจะบรรลุมั่งยังไม่รู้อะไรเลยเนี่ยเขาเนี่ยเข้าไปหาพระพุทธเจ้าของเราตอนนี้ถ้าจะบอกจะอุทิศบอกว่าขอรู้ว่าพระพุทธเจ้าคือคือใครตัสรู้อะไรท่านสอนอะไรเนี่ยนะชาจะอุทิศชีวิตเบื้องต้นก็ขอให ปุทิดลงตรงนี้ก่อนว่าพระพุทธเจ้าสร้างบารมียังไงตัสรู้อะไรตัสรู้ว่ายังไงสอนอะไรสอนทําไมสอนนั้นมันดียังไงผู้ที่เข้าบรรลุเข้าบรรลุอะไรบรรลุว่ายังไงเราเองบรรลุด่าได้ไหมนะเอาจนมั่นใจก่อนแลวค่อยไหวาาทีหนึ่งแต่ถ้ายังตอบอะไรไม่ได้เลยนะก็อบอกว่าอย่า พ, พลีผามดีที่สุดเนี่ยนะทำไงก็อ่านพระตไตรปิฎกไปก่อนแล้วกันอันนี้คื อ, ค, อคือพระองค์เนี่ยเป็นสรุปว่าเป็นผู้ที่เคารพธรรมพระองค์ก็ไปต้อนรับพระเจ้ามหากรกฏนะ 300โยต์มีอยู่วันหนึ่งหลังจากที่พระพุทธเจ้าฉันเสร็จฉันไปวินทบาทที่เมืองสาวัตถีและฉันเสร็จเนี่ยนะพอฉันเสร็จเนี่ยพระองค์เดินทางจากเมืองสาวัตถีมาเมืองกบิลพัทฉันเสร็จแล้วเดินอย่างเดียวไม่หยุดเลยเดินทางตลอดระยะเวลาดอนเดินทางระยะเวลาระยะทาง45โยต์พระองค์เดินทางภายในหนึ่งวั น, นถึงเลยจากเมืองสาวัตถีมาเมืองราชคฤห์ก็ไกลเหมือนกัน ที่จริงแล้วเนี่ยเมืองตากศิลาเนี่ยหรือเมืองอัฟกานิสถานเนี่ยเวลาจะเดินทางมาเมืองราชเครือมันต้องผ่านเมืองสาวัตถีก่อนพระเจ้าปุกุสาติเนี่ยได้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกท่านคิดว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นที่เมืองราชครือท่านก็เดินผ่านจากเมืองสาวัตถีมาไม่ถามใครทั้งนั้นเลยเพราะถือว่าพระพุทธเจ้าตอนนี้พองอยู่ที่เมืองราชครือก็เดินทางรอนแรมอ่ะเช้ามืดวันนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าตัสรูุ้วม่า เลงสัพพัญยุตยานดูว่าถ้าพระองค์ไม่ไปโปรดเนี่ยนะปุ ก, กุสสาติจะตายพรุ่งนี้เนี่ยนะจะตายพรุ่งนี้แต่ถ้าพระองค์ไปโปรดเนี่ยนะเขาจะบรรลุเป็นพระอนาคามีถึงตายก็เกิดในสุทาวาสทีนี้ถ้าพระองค์ไม่ไปก็ตายแบบปุตุชนว่า ง, งั้นเถอถ้าพระองค์ไปก็บรรลุเป็นพระอริยเจ้าขณะเดียวกันพระเจ้าปุ ก, กุสสาติเป็นผู้ที่มีความเคารพในพระพุทธเจ้ามากเพราะอ่านจดหมายเฉยเนี่ยนะ อ่านจดหมายแล้วก็ปฏิบัติจนได้ฌานแล้วก็เดินทางเท้าเปล่าโรงแรมตลอดระยะทางเป็นพันกิโละนะเป็นพันกิโลจากอัฟกานิสถานมาราชครือเนี่ยมันไ่ใกล้ๆนะไกลมากเลยนะแล้วก็ทางทุร ก, กันดารมากเดินทางแล้วเนี่ยดีว่าท่านได้ฌานก็ยังชั่วหน่อยท่านก็ไปพักที่เมืองราชครือไปถามว่านักบวชที่มาถึงเมืองนี้เขาพักที่ไหนบอกพักที่โรงช่างหมอ้อวันนั้นพระพุทธเจ้าตอนเย็นพระองค์ก็เลยเข้าไปที่โรงช่างหมอ้อไปถามว่าคืนนี้พักที่นี้ได้ไหม วันนั้นพระองค์ไม่ไม่ไมผายรัศมีพระองค์จะดูเหมือนพระพิสุรูปหนึ่งเท่านั้นในช่างหมอ้อก็บอกว่าไปถามพระที่อยู่ก่อนที่ถ้าหากว่าองค์ที่อยู่ก่อนอนุญาตก็พักได้เถอะตามสบายเนี่ยนะแต่ว่าเนื่องจากว่าอัธยาสัยนักบวชมันนักบวชนี่จริงๆ ค, คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่น้องพีเนี่ยนะคนล ะ, ละที่คำว่า ง, งันเพราะฉะนั้นคุยกันเองแล้วกันว่ากันถ้าองค์ที่อยู่ก่อนอนุญาตก็อยู่ก่อนละกันก็พระพุทธเจ้าก็ไปถามว่าเนี่ยโรงโรงที่พักโรงช่างหม้อเนี่ยพักได้ไหม ปกุศสติก็บอกเออห้องนี้ก็ใหญ่โตนะเชิญท่านทักตามสบายเถอะพระพุทธเจ้าก็ประทับพอไปถึงนั้นค่ำๆพอดีพระองค์ก็นั่งเข้าสมาบัติปกุศสติก็นั่งเข้าปฐมเข้าฌ า, านสี่ด้วยอานาปานสติออกจากฌานสี่ประมาณช่วงกลางเที่ยงคืนดึกมากเลยนะพอออกมาบอกว่ากุลบดผู้นี้หน้าเลื่อมใสเนอก็ถามว่าท่านบวชอุทิตคลายบอกอุทิตพระพุทธเจ้าเอาแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอยู่ที่ไหนบอกอยู่ที่เมืองสาวถี ถ้าท่านพบเห็นท่านจะรู้จักไหมว่าผู้นี้เป็นพระพุทธเจ้าบอกไม่รู้จักอัง น, นี้แล้วกันเดี๋ยวจะแสดงธรรมให้ฟังท่านจงฟังก็แล้วกันตั้งใจให้ดีนะท่านก็ตั้งใจนะท่านก็ตั้งใจเงี่ยโสดลงฟังพระพุทธเจ้าก็แสดงธาตุวิพังกระสูดเดี๋ยวข้างหน้าเราจะเรียนถึงวล้แสดงธรรมแสดงธรรมจบบรรลุเป็นพระอนาคามีพร้อมกับจบธรรมเทศนาพระองค์ก็แปล่งพระฉับพันรังสีบอกผู้นี้แหละเป็นพระพุทธเจ้าก็กราบพระพุทธเจ้าแล้ว ตอนนั้นช่วงสว่างพอดีอรุณพอดีพระองค์ก็ปกุสาติก็ถามว่าอขออนุญาตบวชนะขอบวชพระองค์ก็บอกท่ามีบาศมีชีวรครบไม้บอกไม่ครบพอไม่ครบพ อ, อไปหาไปถูกวกัวขีด ต, ตายเนี่ยนะนะปุสาติก็คืออดีตชาติอดีตเขาเป็นพระพิสุที่ออกบวชแต่ขึ้นเขาขาดเหมือนกะันะนะรุ่นขึ้นเขาขาดเนี่ยนะนะอันนี้พระองค์ก็ไปต้อนรับพระปุกุสาติถึงสี่สิบห้าโยชนะ น, นี่เพราะความเคารพในธรรม คือผู้ใดเป็นคนที่เคารพพระพุทธเจ้าบุคคล น, นั้นก็น่าเคารพเพราะเป็นคนที่มีธรรมดังนั้นพระองค์ก็เคารพ บ, บุคคลเหล่านั้นด้วยนี้ต่อไปอีกเพราะความที่พระองค์เคารพธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าเสด็จหนทางสองพันโยตไปอนุเคราะห์สัมมาเนที่อยู่ในป่าลึกสัมมาเนเนี่ยเดินทางรอนเรมไกลไกลเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเสด็จไปเพื่อสงเคราะห์สัมมาเนธผู้ตั้งใจปฏิบัติอยู่ในคําสอนพระองค์ไปเยี่ยมไปเยี่ยมสัมมาเนธเนี่ยนะ พระพุทธเจ้าสเสด็จโดยหนทางประมาณ60โยต์ไปโปรดคัททีระวะนิยะเถระก็คือน้องน้องชายคนเล็กภาษาริบุตรเนี่ยนะคัิทีคัททีวรานิยะเถร ะ, ะ, ะ, ถระก็คือน้องคนเล็กภาษาลิบุตรส่วนสัมมนเนนั้นก็อีกสัมมนเนรรูปหนึ่งที่เป็นลูกศิษย์ของภาษาลิบุตรพระพุทธเจ้าก็เคารพสัมมนเนรในฐานะที่สัมมนเนรเป็นผู้ที่เคารพทำหนักแน่นในธรรมแล้วก็ตั้งใจที่จะปฏิบัติธรรมผู้ที่บรรลุโลกุตรธรรม วันหนึ่งพร ะ, พพระอนุรุทธะอยู่ที่ปาจีนาวังสาไทยวัเนี่ยนะพระอนุรุทธะกำลังตรึกมหาปุริสวิตกอยู่กำลังคิดคำสอนกำลังตรึกว่าเออธรรมะคือโลกุตระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นธรรมของผู้มักน้อยไม่ใช่เป็นของคนมากๆเป็นของผู้ที่สันโดษไม่ใช่ไม่สันโดษเป็นคนที่ปรารบความเพียรไม่ใช่เป็นบุคคลที่ เหียดครานธรรมะนี้เป็นของผู้ที่มีสติไม่ใช่เป็นของคนที่หลงลืมสติเป็นของผู้ที่มีจิตใจตั้งมั่นไม่ใช่ของคนที่ฟุง่งซ่านเป็นของผู้มีปัญญาไม่ใช่ของคนผู้ไม่มีปัญญาท่านคิดได้เจข้อพระพุทธเจ้าก็ปรารภเออถูกต้องสาธุพงแวสจากเชตจจากเวรุวันนั่นแหละมาปรากฏเฉพาะหน้าของพระอนุรุธทธะบอกถูกต้องถูกต้องอนะเธอคิดงั้นอ่ะดีแล้วแล้วก็บอกว่ามีข้อสุดท้ายข้อ8ก็บอกว่า ผู้มีพระนิพพานเป็นที่มายินดีแล้วก็ยินดีในพระนิพพานเสร็จแล้วพระองค์ก็สอนมหาปริสวิตกตกแปดประการพระอนุรุทธะก็ปฏิบัติตามก็สําเร็จเป็นพระอรหรันเนี่ยเพราะผู้พี่เคารพธรรมใครปฏิบัติตามธรรมเนี่ยนะพราคิดพลาดนิดเดียวพระองค์ก็ไปแล้วไปสงเคราะห์เขาสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนกับแบ่งภาคเยอะมา ก, ก น, นะพระพิสุอยู่ที่ไหนจะต้องปูอาสนะเอาไว้ไม่รู้พระองค์จะเสด็จมาเมื่อไหร่ไม่รู้มันจะต้องเตรียมเพราะพระองค์จะมาแสดงธรรมเพื่อสงเคราะห์เขาเนี่ยนะ เพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่หนักในธรรมขอให้ผู้นั้นตั้งใจประพฤติปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์พระองค์สงครอเข้าหมดพร่องเคารพเคารพธรรมที่นําออกจากทุกข์นั้นผู้ใดปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์พระองค์จึงเคารพผู้นั้นอันนี้เหตุผลหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งเลยเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเนี่ยสั่งให้พระ อ, อนนุ์เนี่ยปูที่นอนเอาไว้ในกุฏิเดียวกันให้พระโสณกุฏิกันนะเถระฟังให้ให้ให คือคือบอกว่าให้พระนอ น, นไปตั้งเสนาสนะคําสั่งนี้แปลว่าปูที่นอนที่นั่งเอาไว้ในกุฏิเดียวกันกับพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็ทั้งคู่ก็นั่งเข้าสมาบัติตั้งแต่จนดึกดื่นเวลาใกล้รุ่งทั้งคู่ไม่มีใครนอนนะพระพุทธเจ้าก็ไม่นอนพระโซนะโกติกันนะเนี่ยก็ไม่นอนกุฏิโกติเนี่ยแปลว่าโกดหนึ่งนะท่านมีตุ้มหูราคาโกดหนึ่งเป็นพ่อค้าที่ร่ํารวยมหาศาล อันนะั้นตอนหลังก็ไปเห็นเปรตเข้าสังเวทใจก็เลยฟังธรรมจากพระมหากจรยนะรขอบวชครั้งที่สาจึงได้บวชบวชแล้วก็บรรลุเป็นเป็นพระอรหันต์แล้วก็เรียนเป็นคนที่ฉลาดมากเพราะความที่ท่านเก่งมากเนี่ยนะท่านก็พอบรรลุแล้วท่านก็อยากเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก็เลยมาเพื่อเข้าเฝ้าอันนะัเมื่อเข้าเฝ้าเสร็จแล้วเนี่ยพระพระพุทธเจ้าก็ใช้ให้พระนนท์แต่งตั้งเสนาสนะแต่งตั้งที่หนอนให้อยู่ในกุฏิเดียวกันกับพระพุทธเจ้านั่นแหละเสร็จแล้วก็ พระพุทธเจ้าก็ประทับนั่งศพพระโสนกุติกานะก็ประทับนั่งเวลาใกล้รุ่งเขาบอกว่าธรรมะจงแจ่มแจ้งแกเธอก็บอกให้พระโสนเะนี่ยแสดงธรรมให้ฟังพระโสนก็แสดงสารพัญญนยะสวดอัตตะวักเนี่ยนะถ้าใครรู้อยากรู้ว่าพระมหาพระโสนเะนี่ยท่านท่านแสดงธรรมอะไรให้พระพุทธเจ้าฟังก็ไปดูนะั่นแหละอัตตะวักนะนะอัตตะวักในสุตตานิบาตหรือในเล่ม60สิสิเท่าไหร่ นิเทศเ้นนิเทศเล่ม66นนะเล่ม65 66นั่นแหละโดยมาเล่ม65 66นั่นแหละเป็นเล่มที่พระโสนะกุติกันนะแสดงให้พระพุทธเจ้าฟังซึ่งไพเราะมากเนี่ย น, นะ ท, ทั้งโดยน้ำเสียงโดยเนื้อหาเรียนทั้งโดยบทโดยอัฐพยัญชนะพระโสนะกุติกันนะเข้าใจเป็นอย่างดี พระพุทธเจ้าสาทุกขานนะอนุมโมทนาสาทุเธอได้พูดได้ถูกโดยบทโดยพยัญชนะเธอเรียนมาดีแล้วเธอบวชได้พรรษาเท่าไรแล้วอะไรเงีก็ตามกันไปแต่ว่าพระองค์นี่เคารพเพราะว่าเป็นผู้ที่พระสโสะเป็นผู้ที่เคารพในธรรมพระองค์ก็เคารพผู้ใดเคารพธรรมผู้นั้นจะได้รับการเคารพจากพระพุทธเจ้าหรือผู้นั้นจะเป็นที่รักของพระพุทธเจ้านี้อีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งตอนนั้นพระองค์ประทับจำพรรษาอยู่ที่ เมืองโกสัมพีไอ้เมืองโกสัมพีเนี่ยพระภิกษุทะเลาะกันเพราะน้ำในส้วมขันเดียวะนะเรื่องใหญ่โตเลยเนี่ยนะเรื่องไม่เป็นเรื่องฮนะบางทีเรื่องใหญ่นะเรื่องจะไม่เป็นเรื่องก็เหมือนกับไฟเผาเมืองเนี่ยมันเรียกเอาฟืนมาสมที่ไหนใช่ไหมประกายไฟเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแหละที่มันเผาบ้านท้เาเมืองอ่ะนะชันใดนี่ก็เหมือนกันก็พระภิกษุชาวเมืองโกสัมพีเนี่ยทะเลาะ ก, กันเสร็จแล้วก็พระองค์ก็เดินะนะก็จากโดยที่ไม่ต้องลาใครทั้งนั้นนะพระองค์ก็มา เดินมาแล้วก็มาที่พระภิสูรรูปหนึ่งท่านอยู่แต่เพียงรูปเดียวแล้วก็มามาที่ป่าโคสิงฆาสารวันที่กุลบุตรสท่านอยู่กันเนี่ยนะทั้งสาท่านเป็นคนที่เคารพธรรมมีความสามัคคีกันดีมากพระพุทธเจ้ามาเทศเรื่องอ น, นิสงค์ของความสามัคคีทั้งคืน น, นะเพราะความเคารพธรรมเนี่ยพระองค์จึงเดินทางตลอดสามขาวุฒเพื่อแสดงอ น, นิสงค์ของความสามคัคคีเพราะสามคนเนี่ยกายต่างกันแต่ใจเป็น อันเดียวกันแปลว่ามีเก็บใจของตัวว่าเพื่อนเขาต้องการอะไรก็แล้วแต่เพื่อนคือทุกคนคิดอย่างนี้หมดคําเป็นสามะคีกันขนาดนั้นแล้วแต่เพื่อนแล้วก็ทุกคนคิดอย่างนี้หมดทุกคนแสดงว่าอยู่ด้วยความเกรงใจเพราะทุกคนแล้วแต่แล้วแต่เพื่อนคนที่หนึ่งก็บอกแล้วแต่คนที่สองคนที่สองก็แล้วกับคนที่สามคนที่สามก็แล้วแต่คนที่หนึ่งสรุปว่าเอาทำมี่นายเป็นหลักแล้วสามรูปเหล่านี้เนี่ยนะไม่คุยกันเลยปกตินะจะไม่คุยกันเลยไม่พูดท่านก็แต่ถ้าถามว่า ทุกหวันท่านจะสนทนาการครั้งหนึ่งสนทนาการทั้งคืนแล้วเรื่องที่ท่านสนทนาสนทนาทีรับปิดกอย่างเงี้ยนะทุก5วันสนทนาการทั้งคืนทุก5วันแล้วสามัคคีทุกคนเนี่ยเก็บใจเป็นของทุกคนเก็บใจตัวเองหมดเลยแล้วแต่เพื่อนแล้วแต่เพื่อนเนี่ยนะทั้งทุกคนก็สามัคคีสมาสมาสามัคคีแล้วก็บรรลุกันหมดด้วยและเป็นคนที่มัดน้อยสันโดษมากอันนี้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่พระพุทธเจ้าเขอรบต้องเดินทางอีก12กิโลเมตรเนี่ยนะไปเยี่ยมเขาอ่ะ